คราวก่อนโน้นเราได้อธิบายถึงการที่พระพุทธเจ้าที่ชื่อวิปัสสีเนี่ย <c oughs> ที่พระตถาคตของเราเนี่ยกล่าวอ้างถึงในการตรัสสายปฏิจจสมุปบาทแล้วคราวนี้พระองค์ก็ตรัสในส่วนของพระองค์เองว่า พระองค์ก็ได้ตรัสสายปฏิจจสุบาเนี่ยก็เหมือนกับพระเจ้าวิปัสสีเหมือนกัน <c oughs> นี่ก็จะเป็นสายปฏิจจอันหนึ่งที่สุดอยู่แค่วิญญาณกับนามรูปไม่เลยไปจนถึงสังขารแล้วก็อวิชาบอกดูก่อนภิกษุทั้งหลายครั้ง ก่อนแต่การตรัสรู้เมื่อเรายังไม่ได้ตรัสรู้ยังเป็นโพธิสัตยอยู่ความปริวิตกนี้ได้เกิดขึ้นแก่เราว่าสัตว์โลกนี้หนอถึงแล้วซึ่งความยากเข็นย่อมเกิดย่อมแก่ย่อมตายย่อมจุติย่อมอุบัติก็เมื่อสัตว์โลกไม่รู้จักอุบายเครื่องออกไปพ้นจากทุกข์คือชรามรณะแล้วการออกจากทุกข์คือชรามรณะนี้จกปรากฏขึ้นได้อย่างไร ดูก่อนภิกษุทั้งหลายความโ ง, งนนี้ได้เกิดขึ้นแกเราว่าเมื่ออะไรมีอยู่หนอชารามรณะจึงได้มีเพราะมีอะไรเป็นปัจจัยจึงมีชารามรณะเพราะฉะนั้นผู้เจ้าก็สงสัยว่าอะไรมีอยู่ชารามรณะจึงมีเพราะมีอะไรเป็นเหตุจึงมีชารามรณะนะ ดูก่อนพิกษุทั้งหลายความรู้แจ้งอย่างยิ่งด้วยปัญญาเพราะการทําในใจโดยแยกคายได้เกิดขึ้นแกเราว่าเพราะชาตินั้นแลมีอยู่ชรลามรณะจึงได้มีเพราะชาติเป็นปัจจัยจึงมีชรลามรณะดังนี้ปัจจัยแปลว่าเหตุนะเพราะมีชาติเป็นเหตุจึงมีชรลามรณะเพราะชาตินั้นแลมีอยู่ชรลามรณะจึงได้มีชาติ <c oughs> ก็คือสมุทัยหรืออุ ป, ปาโทคือเกิดปรากฏการเกิดที่ปรากฏขึ้นมานั่นแหละ แก่ตายจึงมีเพราะฉะนั้นแก่ตายมีเพราะเหตุคือเกิดตรงนี้จําดีๆแล้วก็ไล่ตรการดีๆนะเพราะเดี๋ยวมันจะโยงไปถึง อ, อนัตตานะว่าสิ่งที่มีการเกิดปรากฏแล้วก็เสื่อมแล้วก็ดับนั้นพระเจ้าจะเรียกมันว่าอนัตตานะก็คือมันไม่ใช่ตัวตนจริงนะมันเป็นตัวตนชั่วคราวที่ปรากฏขึ้นมาแล้วก็จะหายไปและพระองค์ก็ตรัสต่อว่า เพราะพบนั่นแลมีอยู่ชาติจึงได้มีเพราะมีพบเป็นปัจจัยจึงมีชาติดังนี้นะองค์ก็สงสัยอีกนะว่าอะไรมีชาติจึงมีก็คือสถานที่เกิดมีการเกิดจึงมีขึ้นตรงนี้ไปดูที่พระองค์อุปมาว่าพบเนี่ยเปรียบเสมือนผืนนาวิญญาณเปรียบเหมือนเมล็ดพืชที่ตกลงไปในผืนนานะเพราะนั้นวิญญาณเนี่ยอาศายัยอารมณ์นะ เป็นที่ตั้งอาศัยอารมณ์คือสีฐานคือรูปเวทนาสัญญาสังขารเดี๋ยวดูผู้ย้าจะไปจบที่สีฐานตรงนี้ของวิญญาณนะ <c oughs> ตัวตัวสี่ธาตุเนี่ยเป็นภพคือเป็นสถานที่ตั้งอาศัยของวิญญาณก็คือตัวเมล็ดพืชที่ตกลงไปในผื้นนาแล้วก็ด้วยนันทิราคะคือน้ำที่ลดเมล็ดพืชเป็นเหตุให้วิญญาณเนี่ยหรือเมล็ดพืชงอกขึ้นมาคือเจริญงอกงามไปบูน จิตที่เพลินไปกับอารมณ์ก็คือจิตที่เจริญงอกงามไพยบู์ไปในภพนั้นๆไปในอารมณ์นั้นๆติดตามต่อเนื่องไปจนทั่งจบด้วยชลาและมรณนะและพระองค์ก็ความสงสัยพระองค์ก็ทวนขึ้นไปนและพบมีเพราะอะไรเพราะอุปทานตัณหาเวทนาผัสสะสลายณนะนามรูปจนรทั่งไล่มาถึงวิญญาณ พระองค์ก็บอกว่าดูก่อนพิกุูจน์หลายความฉงนนี้ได้เกิดขึ้นแกเราว er ่าเมื่ออะไรมีอยู่หรือหนอวิญญาณจึงได้มีเพราะมีอะไรเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณดังนี้ดูก่อนพิกษุทั้งหลายความรู้แจ้งอย่างยิ่งด้วยปัญญาเพราะการทำในใจโดยแยบคายได้เกิดขึ้นแกเราว่าเพราะนามรูปนั้นแลมีอยู่วิญญาณจึงได้มีนั้นวิญญาณมีเพราะอะไรก็มีเพราะนามรูปนามรูปมีเพราะอะไรก็เพราะวิญญาณ ต่างคนต่างอาศัยกันและกันในการเกิดขึ้นเพราะมีนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณนะก็คือเพราะมีนามรูปเป็นเหตุจึงมีวิญญาณดูก่อนพิสุนไหลความรู้แจ้งนี้ได้เกิดขึ้นกับเราว่านี่วิญญาณนี้ย่อมเวียนกลับจากนามรูปไม่ย่อมไม่เลยไปอื่นนะด้วยเหตุเพียงเท่านี้สัตว์โลกนี้พึงเกิดบ้างพึงแก่บ้างพึงตายบ้างพึงจติบ้างพึงอุบัติบ้าง ข้อนี้ได้แก่การที่เพราะมีนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณเพราะมีวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปเห็นไหมพูดยันกันไปยันกันมาต่างคนต่างเป็นเหตุปัจจัยของการเกิดซึ่งกันและกันและโลกธาตุทั้งหมดนี้มันมีปัญหาเกิดแก่เจ็บตายก็เพราะไอ้วิญญาณกับ น, นามรูปนี่แหละมันทางานกันนี่แหละนะและความรู้ตรงนี้เป็นความรู้ของกาเป็นความรู้ของพระโสดาบันว่า ว, วิญญาณเนี่ยจะเวียน ย่อมเวียนกลับจากนามรูปไม่เลยไปที่อื่นคือเวียนไปเวียนมากลับอยู่ในนามรูปเนี่ยไม่เลยไปที่อื่นนั่นก็คือวิ ญ, ญญาณรู้ได้แค่สีทธาตุนี้และสีธาตุนี้พระเจ้าจึงเรียกว่าเป็นวิญญาณถิติฐานที่ตั้งของวิญญาณนั้นถ้าใครไม่รู้จากระบบการทำงานของจิตแบบนี้นะเราจะตีพุทธวจนะไม่แตกอีกหลายพสูตรเลย เพราะปฏิจจสุบาเนี่ยเป็นการอธิบายการทางานของวิญญาณกับนามรูปสี่ธาตุนี้นะอธิบายเยอะแยะมากมายเลยเต็มไปหมดเลยนั้นเวลาเรานั่งสมาธิถึงบอกเวลาจิตที่มันฟุ้งไปเนี่ยไปในที่นั้นที่นี้เนี่ยให้เราดูว่ามันฟุ้งไปไหนและเราจะสรุปได้เลยว่าจิตมันวิ่งไปไหนบ้างพระเจ้าก็สรุปนี่ไง มันไม่เวียนเลยไปจากสีธ่ธาตุนี้คือรูปธาตุเวทนาธาตุสัญญาธาตุสังขารธาตุสังขารธาตุพระเจ้าจึงตรัสว่าวิ ญ, ญญาณอาศัยรูปตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้เป็นวิญญาณที่มีรูปเป็นอารมณ์มีรูปเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยมีนันทิความเพลินเป็นที่เข้าไปซ่องเสพก็ถึงความเจริญงอกงามไปบูนได้วิญญาณอาศัยเวทนาตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้และตรัสเหมือนกันทั้งหมดอาศัยสัญญาอาศัยสังขารตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้ เป็นวิญญาณที่มีสังขารเป็นอารมณ์มีสังขารเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยมีนันทิคือความเพลินเป็นที่เข้าไปซ่องเสพก็ถึงความเจริญงอกงามไปบุญได้ <c oughs> พระสูตรเหล่านี้อาตมาถึงบอกโยมต้องท่องให้คล่องแล้วเวลาโยมนั่งสมาธิดูปุ๊บเนี่ยโยมจะเห็นเลยว่าเฮ้ยจิตมันเดินทางไปอย่างนี้จริงๆแล้วยมจะเห็นจริงตามนั้นและเราจะไม่สงสัยเลยว่าสิ่งพวกเนี้ยลอกมาผิดหรือจำมาผิดหรือเปล่าเพราะมันพิสูจน์ได้ด้วยตนเอง นั้นปฏิจจสุบาเนี่ยมันเป็นเรื่องของมนุษย์เรื่องของเราเองโดยตรงเลยเป็นอาการจิตของมนุษย์ทุกคนในโลกที่มันจะเป็นแบบนี้นะที่พระเจ้าจึงบอกให้ฉลาดในวาระจิตของตนแล้วเธอจะรู้จิตของคนอื่นทั้งหมดว่ามันทำงานอย่างนี้เหมือนกันหมดนะเพราะฉะนั้นวิญญาณรู้ได้แค่สี่ธาตุนั่นแสดงว่าวิญญาณไปรู้นิพพานไม่ไดนะ้เราก็จะได้ความรู้อีกเหมือนกัน ว่าวิญญาณรู้ได้แค่สี่ท่านนี้รูปเวทนาสัญญาสังขารเพราะนั้นวิญญาณรู้นิพานไม่ได้เพราะฉะนั้นความรู้สึกเราปัจจุบันเนี่ยไปรับรู้นิพานไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าความรู้สึกเราปัจจุบันนี้ไปเห็นโน่นเห็นนี่แล้วไปประเมินว่านี้เป็นนิพานก็ต้องตีว่าไม่ใช่นะ <c oughs> เป็นการปรุงแต่งของจิตอย่างนี้ <c oughs> <c oughs> ผู้เจ้าก็ไล่เหตุเกิดไปนะตั้งแต่มีวิญญาณ นามรูปมีวิญญาณมีวิญญาณพ่อมีนามรูปเพ่อมีนามรูปเป็นเหตุจึงมีสลายจานะผัสสะเวทนาตันหาประทานพบชาติชล า, ามอานะแล้วก็ตรัสต่อ ว, ว่าดูก่อนพิกษุทั้งหลายดวงตาเกิดขึ้นแล้วญาณเกิดขึ้นแล้วปัญญาเกิดขึ้นแล้ววิชาเกิดขึ้นแล้วแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมทั้งหลายที่เราไม่เคยฟังมาแต่ก่อนว่าความเกิดขึ้นพร้อมความเกิดขึ้นพร้อมดังนี้เพราะฉะนั้นด้วยการไล่สายปฏิจจะตรงเนี้ย ถอยไปถึงเหตุของการเกิดของแต่ละสิ่งแต่ละสิ่งแต่ละสิ่งแต่ละสิ่งไ ล, ล่ไปเรื่อยๆพระองค์จึงสามารถนะสรุปลำดับของการเกิดของสรรพสิ่งในโลกได้จึงบอกว่าอ๋อดวงตาเกิดขึ้นแล้วแกเราในความเกิดขึ้นพร้อมคือตัวสมุทยความเกิดขึ้นของสรรพสิ่งในโลกทั้งรูปนามมันมีการเกี่ยวเนื่องเกี่ยวโยงกันแบบนี้นั่นเองนะอืม แล้วพระองค์ก็พิจารณาสายดับต่อไปดูก่อนภิกษุทั้งหลายความฉงนนี้ได้เกิดขึ้นแก่เราต่อไปว่าเมื่ออะไรไม่มีหนอชรามรณะจึงไม่มีเพราะความดับแห่งอะไรจึงมีความดับแห่งชรามรณะดังนี้เพราะฉะนั้นความสงสัยที่เพราะอะไรมีอะไรจึงมีก็เป็นเหตุให้รู้เหตุของการเกิดและความสงสัยว่าเพราะอะไรไม่มีอะไรจึงไม่มีจึงรู้เหตุของการดับแล้วก็ไล่สาย หาเหตุของการดับไล่สายไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นตัวกฎอิทัาปปัจจยตาก็คือความสงสัยตรงนี้แหละว่าเพราะอะไรมีอะไรจึงมีเพราะอะไรเกิดอะไรจึงเกิดเพราะอะไรไม่มีอะไรจึงไม่มีเพราะอะไรดับอะไรจึงดับสีบ่บรรทัดนี้จึงเรียกว่ากฎอิทัาปปัจจยตานะเป็นหัวใจของปฏิจจสุบาตนะว่าปฏิจจสุบาต ท, ทำอันเป็นธรรมชาติอาศัยกันแล้วเกิดขึ้นเนี่ย หลักการมันมีแค่นี้ว่าเพราะอะไรมีอะไรจึงมีเพราะอะไรเกิดอะไรจึงเกิดเพราะอะไรไม่มีอะไรจึงไม่มีเพราะอะไรดับอะไรจึงดับนั่นคือสายเกิดกับสายดับทั้งหมดแค่นั้นเองและสายเกิดก็คือตัวสมุทัยในอริยสัจสีทุกสมุทัยนิโรธมรรคและสายดับก็คือตัวนิโรธอ่าะะฉนั้นเวลาพูดอริยสัจสีโดยละเอียดผู้เจ้าก็จะเอาสายเกิดเนี่ยป้งใส่เข้าไปในสมุทัยเอาสายดับใส่เข้าไปป้งในนิโรธนะก็คือเต็มพระสูตรนะ เป็นอริยสัจสีอย่างละเอียดเพราะฉะนั้นถ้าจัดอย่างสั้นก็คือจะบอกแค่ว่าเหตุเกิดของทุกข์คือตัณหาความดับของทุกข์นิโรธก็คือตัณหาดับอย่างนี้แต่ถ้าบอกเต็มปุ๊บใส่สายวงรอบการเกิดวงรอบการดับเข้าไปในนั้นเราก็จะเชื่อมโยงได้แล้วว่าปฏิจจสุบาท ก, ก็คืออริยสัจสี่ที่ลงรายละเอียดในเรื่องของสมุทัยและนิโรธนะอ่าแค่นั้นเอง และผู้เจ้าก็ไล่สายดับมาจนกระทั่งบอกว่าเพราะความรู้แจ้งอย่างยิ่งด้วยปัญญาเพราะการทําในใจโดยเย็บขลายได้เกิดขึ้นกับเราว่าเพราะนามรูปนั้นแลไม่มีวิญญาณจึงไม่มีเพราะความดับแห่งนามรูปจึงมีความดับแห่งวิญญาณตรงนี้เนี่ยก็จําดีๆนะแล้วเราจะรู้ว่าถ้านามรูปไม่มีนี่วิญญาณไม่มีและถ้าวิญญาณไม่มีนั่นก็คือหลุดพ้นนะ ที่ใดไม่มีนามรูปไม่มีวิญญาณที่นั่นคือที่สุดของทุก์ไม่มีสภาวะที่เกิดดับตรงนี้เป็นประเด็นที่สำคัญดูก่อนพิสูุน์ทั้งหลายความรู้แจ้งนี้ได้เกิดขึ้นแกเราว่าหนทางเพื่อการตรัสรู้นี้อันเราได้ถึงทับแล้วแลได้แก่สิ่งเหล่านี้คือเพราะความดับแห่งนามรูปจึงมีความดับแห่งวิญญาณเพราะมีความดับแห่งวิญญาณจึงมีความดับแห่งนามรูปเห็นะนะ พระนัายปฏิจจาตรงนี้ไม่พูดถึงอวิชากับสังขารสุดแค่วิญญาณกับ น, นามรูปนามรูปกับวิญญาณยันกันไปกันมาที่ภาษาริบุตรเปรียบเหมือนไม้2กํามพิงกันนะหรือผู้เจ้าจะอุปมาเปรียบเหมือนแสงกับฉากนะที่มันเกิดขึ้นพร้อมกันและจบด้วยที่พระองค์ตรัสว่าดูก่อนพิสุนไหลายดวงตาเกิดขึ้นแล้วยานเกิดขึ้นแล้วปัญญาเกิดขึ้นแล้ววิชาเกิดขึ้นแล้วแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมที่เราไม่เคยฟังมาแต่ก่อน ว่าความดับไม่เหลือความดับไม่เหลือดังนี้นิโรธนะความดับอันนี้ก็คือสายปฏิจจ์ที่ <c oughs> ไปสุดแค่วิญญาณกับนามรูปนะมาดู พระสูตรต่อไปนะที่พระองค์ตรัสอาตมาก็ยกพระสูตรนี้บ่อยๆบอกดูก่อนภิกษุทั้งหลายถ้าบุคคลย่อมคิดถึงสิ่งใดอยู่ย่อมดำริถึงสิ่งใดอยู่ย่อมมีจิตปักลงไปในสิ่งใดอยู่สิ่งนั้นย่อมเป็นอารมณ์เพื่อการตั้งอยู่แห่งวิญญาณเพราะฉะนั้นถ้ายมกำลังนึกถึงอะไรคิดถึงอะไร หรือมีจิตฝังลงไปหรือปักลงไปในสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่คิดถึงนั่นคิดถึงนี่สิ่งนั้นแหละจะเป็นอารมณ์เพื่อการตั้งอยู่ของวิญญาณทันทีนะเพราะนั้นจิตรับรู้เรื่องใดไม่ได้เลยจริ ง, รงๆแล้วถ้ารับรู้พวก ว, วิญญาณเกิดขึ้นทันทีนั้นเวลารับรู้ปั๊บเนี่ยแล้ววิญญาณเกิดขึ้นแล้วกำลังจเจริญ ง, งอกงามคือผูกกับอารมณ์นั้นมีสัญคะต่อไปผู้เจ้าจึงให้อย่างไงละนันทีให้ไวที่สุดคือดับเหตุ เพราะฉะนั้นเหตุผลของพระตถ า, าคตก็คือเข้าไปดับเหตุของชะาและมรณะให้ไวที่สุดคือดับชาติไม่ให้ชาติมีขึ้นและใครเป็นคนสร้างชาติคือการเกิดวิญญาณไงนะวิญญาณสร้างชาติการเกิดอยู่ตลอดเวลาเลยเข้าไปเกาะอารมณ์สี่ขันเนี่ยเข้าไปตั้งอาศายัยปังปังปางปังสี่ขันนี้เวียนไปเวียนมานะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนะนั้นเวลามัน เข้าไปสร้างการเกิดกผู้อาผู้เจ้าจึงว่าทิ้งให้ไวที่สุดและอีกพุทธพจนะหนึ่งพวกองบอกว่าพบแม้ชั่วลัดนิ้วมือเดียวก็น่ารังเกียจเหมือนมูดคู่เลยเห็นนะจะสอนรับกันทันทีเห็นไหมเพราะนั้นการรับรู้อารมณ์ขึ้นมานิดหนึ่งเนี่ยน่ารังเกียจที่สุดเลยเหมือนมูดคู่ที่เปิ้อนเราก็ต้องรีบล้างเช็ดออกให้สะอาดนะเพราะนั้นยิ่งเรารับรู้แล้วยิง่งยิ่งเพลินตามต่อไปนี่ยิ่งตายเลยนะยิ่งน่ารังเกียจที่สุดเลยเหมือนอุจจาระล่าทั้งตัวเลยนี่ขนาด นี้เดียวนระัตนิ้วมือเดียวอย่างโ oh uh, อ้โหยิ่งล้างเช็ดกันแทบตายใช่ไหมเพราะนั้นคำพระเจ้าก็จะสอดรับกันสอดรับกันสอดรับกันทั้งหมดนะเม <c oughs> ื่ออารมณ์มีอยู่ความตั้งขึ้นเฉพาะแห่งวิญญาณย่อมมีเพราะนั้นเมื่อเราไปรับ date, รู้เช่นเรากาลังรู้ลมหายใจอยู่ปับ๊บแล้วไปคิดเรื่องอดีตนั่นนะอารมณ์มีละใช่ไหมความตั้งขึ้ น, นเฉพาะแห่งวิญญาณย่อมมี เมื่อวิญญาณ น, นั้นตั้งขึ้นเฉพาะแล้วจเจริญงอกงามแล้วการก้าวลงแห่งนามรูปยอ่อมมีก็อยู่ที่ว่ามันก้าวลงในไหนในรูปหรือในนามอีกสามตัวนี้สี่ขันนี้ซึ่งมีรูปหนึ่งนามธรรมาอีกสามเห็นนะเพราะฉะนั้นถ้ามันเกาะที่รูปก็คือการก้าวลงแห่งรูปย่อมมีถ้ามันเกาะที่นามธรรมาคือการก้าวลงแห่งนามธรรมาย่อมมีนามเกิดขึ้นแล้วรูปเกิดขึ้นแล้วอย่างนี้พระองค์จึงบอกว่า เมื่อวิญญาณ น, นั้นตั้งขึ้นเฉพาะแล้วเมื่อมันไปเกาะอารมณ์แล้วเนี่ยจเจริญงอกงามแล้วการก้าวลงแห่งนามรูปย่อมมีใช่ไหมเพราะนามมีนามรูปเป็นปัจจัยเพราะมีนามรูปเป็นเหตุนี่แหละจึงมีสลายชนะดงนั้นตาหูจมูกลิ้นกายใจก็จึงตามมาเลยไหลาตามมาเป็นพรวนเลยทีนี้สายปฏิจจกติก็ตามมาเพราะมีสลายชนะเป็นเหตุจึงมีผัสสะเพราะมีผัสสะเป็นเหตุจึงมีเวทนาตัณหาอุปทานพบชาติฉลามเอนะก็ไหลาตามมาหมดเลย ความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ย่อมมีได้ด้วยการอย่างนี้และพระองค์ก็ตรัสนะโดยนัยะตรงข้ามดูก่อนภิกษุทั้งหลายถ้าบุคคลย่อมไม่คิดถึงสิ่งใดไม่คิดถึงสิ่งใดเลยย่อมไม่ดำริ ถ, ถึงสิ่งใดแต่เขายังมีใจฝังลงไปในสิ่งใดอยู่สิ่งนั้นย่อมเป็นอารมณ์เพื่อการตั้งอยู่แห่งวิญญาณไม่คิดไม่นึกแต่ยังมีจิต ปากลงไปในสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่ก็ไม่ไดนะ้เมื่ออารมณีมอยู่ความตั้งขึ้นเฉพาะแห่งวิญญาณย่อมมีอะต่อไปพองบอกอะไรบุคคลไม่คิดถึงสิ่งใดไม่ดำริถึงสิ่งใดและทั้งย่อมไม่มีใจฝังลงไปในสิ่งใดด้วยในการใดการนั้นสิ่งนั้นย่อมไม่เป็นอารมณ์เพื่อการตั้งอยู่แห่งวิญญาณได้เลยเพราะนั้นอารมณ์ของวิญญาณไม่มีนะ เมื่ออารมณ์ไม่มีความตั้งขึ้นเฉพาะ <c oughs> แห่งวิญญาณย่อมไม่มีผู้รู้ตั้งขึ้นในานามรูปไม่ได้เลยทั้งสขันนีน้เมื่อวิญญาณ น, นั้นไม่ตั้งขึ้นเฉพาะแล้วไม่เจริญงอกนามแล้วการก้าวลงแห่งนามรูปย่อมไม่มีก็คือนามรูปก็จะไม่มีปรากฏขึ้นเพราะวิญญาณไม่ก้าวลงในานามรูปนี้เลยทั้งสี่ขันเพราะมีความดับแห่งนามรูปจึงมีความดับแห่งสลน์นะ ผัสสะเวทนาตันหาอุปทานพบชาชลามรณ ะ, ะดับเพราะนั้นทำยังไงจะไม่ให้นามรูปมีในความรู้ของจิตชาลามรณ ะ, ะก็จะไม่มีดับไปนั้นเวลาโยมจะตายโยมอย่าให้จิตของโยมเนี่ยไปเกาะอะไรเลยสักอันหนึ่งไม่เกาะเกาะปุ๊บทิ้งเกาะปุ๊บทิ้งเกาะปุ๊บทิ้งโยมต้องละนันทีให้ไหวที่สุดเพื่อไม่ให้พบใหม่มีขึ้นเข้าใจไหมหน้าที่โยมทาแค่นี้ นะละความเพลินอย่างเดียวเลยมนะไม่ให้วิญญาณตั้งขึ้นได้วันนี้เอาปฏิจจะสองพระสูตรพอ